ภิกษุไข้นั้นมาไม่ได้พระผู้มีพระภาคารับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุไข่มอบปาริสุธิภิกษุทั้งหลาย ก, าก็แลภิกษุไข้พึงมอบปาริสุธิอย่างนี้ภิกษุไข้นั้นพึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่งโฮมุตราสง์ชีเวียงบ่าข้างหนึ่งนั่งประยองประนมมือ ER, กล่าวอย่างนี้ว่าเขาพเจ้ามอบปาริสุธิท่านจงนำปาริสุธิของเขาพเจ้าไปจงบอกปาริสุธิของเขาพเจ้า ภิกษุผู้มอบปาริสุธีให้ภิกษุผู้นำปาริสุธิรู้ด้วยกายให้รู้ด้วยวาจาหรือให้รู้ด้วยกายและวาจาปาลิสุธิเป็นอันมอบให้แล้วภิกษุผู้มอบปาริสุธิไม่ให้ภิกษุผู้นำปาริสุธิรู้ด้วยกายไม่ให้รู้ด้วยวาจาหรือไม่ให้รู้ด้วยกายและวาจาปาลิสุธิเป็นอันยังไม่ได้มอบถ้าได้อย่างนั้นนั่นเป็นการดีถ้าไม่ได้ ภิกษุทั้งหลายพึงใช้เตียงหรือตังหามภิกษุไข้มาในท่ามกลางสงแล้วทำอุโบสถภิกษุทั้งหลายถ้าพวกภิกษุผู้พยาบาลภิกษุไข้ได้ปรึกษากันดังนี้ว่าถ้าพวกเราจักย้ายภิกษุไข้อาการไข้จักกำเริบหนักขึ้นหรือภิกษุไข้จัดถึงแก่มรณภาพไม่พึงย้ายภิกษุไข้สงพึงทำอุโบสถในสำนักภิกษุไขนั้นแต่สงไม่พึงแบ่งพวกกันทำอุโบสถ ถ้าแบ่งพวกกันทําต้องอาบัตทุกกฎภิกษุทั้งหลายเมื่อพิกษุไข่ได้มอบปาริสุธิแล้วถ้าภิกษุผู้นําปาริสุธิหลบไปเสียจากที่นั้นภิกษุไข่พึงมอบปาริสุธิแก่ภิกษุรูปอื่นภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุไข่ได้มอบปาริสุธิแล้วถ้าภิกษุผู้นําปาริสุธิศึกเสียณที่นั้นแหละบุรณภาพปฏิญญาเป็นสมเนนปฏิญญาเป็นผู้บอกคืนศิกขา ปฏิญญาเป็นผู้ต้องอันติมะวัตถุปฏิญญาเป็นผู้วิกลจริตปฏิญญาเป็นผู้มีจิตฟุ้งซ่านปฏิญญาเป็นผู้กระสับกระสายเพราะเวทนาปฏิญญาเป็นผู้ถูกสงลงโอเคปณิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติปฏิญญาเป็นผู้ถูกสงลงอุเคปณิยกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัติปฏิญญาเป็นผู้ถูกสงลงโอเคปณิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาป ป, ปติญญาเป็นบรรดอปฏิญญาเป็นไทยสังวัตปฏิญญาเป็นผู้เข้ารีดดีรถีปฏิญญาเป็นสัตดิรชานปฏิญญาเป็นผู้ฆ่ามารดาปฏิญญาเป็นผู้ฆ่าบิดาปฏิญญาเป็นผู้ฆ่าพระอรหันต์ปฏิญญาเป็นผู้ประทุษร้ายภิกษุณีปฏิญญาเป็นผู้ทำลายสง์ปฏิญญาเป็นผู้ทำร้ายพระศัสดาจนห่อพระโลหิตปฏิญญาเป็นผู้ อุปโตพยัญชนกภิกษุไข่พึงมอบปลาิาษิแก่ภิกษุรูปอื่นภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุไข่ได้มอบปาลาฤทธิแล้วถ้าภิกษุผู้นำปลาฤทธิหลบไปเสียในระหว่างทางปาลาฤทธิเป็นอันยังไม่ได้นำมาภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุใข่ได้มอบปลาฤทธิแล้วถ้าภิกษุผู้นำปลาฤทธิศึกเสียในระหว่างทางปฏิญญาเป็นอุปโตพยัญชนกปาลาฤทธิเป็นอันยังมิได้นำมา ภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุไข่ได้มอบปาริสทธีแล้วถ้าภิกษุผู้นําปาริสทธิเข้าที่ประชุมสงฆ์แล้วหลบไปปาริสทธิเป็นอนนำมาแล้วภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุไข่ได้มอบปาริสทธีแล้วถ้าภิกษุผู้นําปาริสทธิเข้าที่ประชุมสงฆ์แล้วศึกเสียปฏิญญาเป็นอุปโตพยัญชนกปาริสทธิเป็นอนนำมาแล้วภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุใครได้มอบปาริสุธีแล้วถ้าภิกษุผู้นำปาริสุธีเข้าที่ประชุมสงแล้วหลับเสียไม่ได้บอกเผลอไปไม่ได้บอกเข้าสมาบัดไม่ได้บอกปาริสุธิเป็นอนามาแล้วภิกษุผู้นำปาริสุธิไม่ต้องอบัดภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุใครได้มอบปาริสุธิแล้วถ้าภิกษุผู้นำปาริสุธิเข้าที่ประชุมสงแล้วจงใจไม่บอก ปาริสติเป็นอนนามาแล้วแต่ภิกษุผู้นำปาริสติต้องอาบัตทุกกฎ